ทีนี้สมาทานแบบกล้าหารร่าเริงเนี่ยนะมันเขาสรุปว่าเขามีความสุขที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าขัตติยะบัณฑิตเหล่านั้นถูกพระสมณโคดมให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถารให้ร่าเริงด้วยรรมีกถาแล้วก็ไม่ไต่ถามปัญหากับพระสมณโคดมเลยจักยกวาทะแก่พระสมณโคดมที่ไหนได้ ในที่สุดก็กลายเป็นสาวกของพระสมณโคดมไปนี่นะที่แรกก็จะไปปราบวาทะจะไปยกทิฏฐิจะไปข่มขวัญข่มสติปัญญาของพระพุทธเจ้าไปถึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังจบพุทธังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะข้าพเจ้าขอถึงพระสมณะพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่นะกลายเป็นว่าคนละเรื่องเลยใช่ไหมจริงๆก็ตอนจะไปปราบนะในที่สุดก็กลายเป็นสาวกไป เมื่อใดข้าพเจ้าได้เห็นร่องรอยที่หนึ่งนี้ในพระสมณโคดมแล้วเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิฐานได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนะก็สังเกตดูว่าเขานับถือพระพุทธเจ้าเน้นับถือส่วนไหนหนึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของ พระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์อันนี้ถือว่าเป็นสาระสาคัญะนะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เขาเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าจุดเริ่มต้นจากจุดใดที่เขาเลื่อมใสก็ตามแต่จบลงว่าความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายในรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเขาเหล่านั้นอย่างไรหรือ ไปถึงแล้วทําไมเขาจึงกลับกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอัตถกาธาน้า488ย่อหน้ากลางบอกว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อทรงแสดงทำท่ามกลางบริษัทธพระองค์ก็จะตรวจ ด, ดูอัธยาศัยของบริษัทธตรวจ ด, ดูอัธยาศัยก่อนนะเคยได้ยินไหมอัธยาศัยของสัตว์เป็นยังไงอัธยาศัยก็มีหลายอย่างอัธยาศัยดีกับอัธยาศัยเลว อัธยาศัยเลวก็เนินหนึ่งกา ม, มัตยาศัยสองพยาปาทัตยาศัยทีนะมิทัธยาศั ย, ายเนี่ยนะอัธยาศัยหมกมุ่นในกามอัธยาศัยหมกมุ่นในความโกรธอัธยาศัยง่วงเหงานนเผลอนี่นะนั้นนิ่งอาเป็นหลับแล้วและอัธยาศัยอะไรอีกอัธยาศัยเป็นมิจฉาทิฏฐิบางพวกตกสัสตตทิฏฐิบางพวกตกอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะตกไปในหลุมมิจฉาทิฏฐิร่วงอ่าร่วงทุจริตกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วย ใจเป็นต้นพวกนี้เรียกว่าพวกอัธยาศัยเลว น, นะเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเครื่องกางกั้นทั้งหลายเนี่ยนะมีกรรมมาวอนเครื่องกลางกั้นคือกรรมเครื่องกลางกั้นคือกิเลสเป็นต้นเรียกว่าอัธยาศัยไม่ดีตรงกันข้ามถ้าพวกมีอัธยาศัยดีละ่ะก็เป็นพวกเนคขมัตอัธยาศัยอัพยาปาทัธยาศัยพวกนี้เป็นอาโลกัธยาศัยเครื่อน้อมพวกนี้ตื่นเยอะนะตื่นเยอะกว่าหลับแล้วก็ เป็นพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทั้งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิและสัจจานุโลมิกยายนเป็นผู้ที่มีความเห็นพร้อมที่จะรู้จะเห็นอริยสัจทั้งหลายก็หมายค่ะว่าเ้ามีอัจฉิยาศัยในฐานศีนภาวนาหรืออโลพัทยาศัยอโทสัทธยาสัยอะโมหัทธยาสัยเนคขมัทธยาสัย แล้วก็วิเวกทยาสายนิสรณ์ทยาสายหรืออัทยาสายที่น้อมไปเพื่อออกจากวัตตาอัทยาสายเพื่อจะบรรลุมรรคผลเป็นต้นดังนั้นก่อนจะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจะตรวจ ด, ดูอัทยาสายก่อนเหมือนหมอผู้ฉลาดก่อนที่จะรักษาโรค ก, ก็ตรวจ ด, ดูอาการโรคฉะนั้นเนี่ยนะหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วก็เห็นว่าขติยะ ก, กษัตริย์บัณฑิตเหล่านี้แต่งปัญหาที่ลี้ลับรียชื่อว่าเรียกว่าโอวัติกาสาระ ปัญหาแปลว่าปัญหาวกวนเนี่ยนะโอวัติกะสาระคือก็พวกปัญหาวกวนอ่ะเพื่อนี้ไม่ได้ถามอยากรู้นะถามก่อกวนไว้คนที่ตอบฉลาดแค่ไหนแต่สรุปว่าจะตอบอยังไงก็คือเป็นวางกัดดักเอาไว้เนี่ยนะจะตอบอยังไงก็ตกหลุมพรางของตนตนก็ชนะเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ถูกคัตยบัณฑิตเหล่านั้นถามเลยไม่ได้ถูกถามเลย เพราะอะไรเพราะเมื่อถามปัญหาเหล่านี้ในการถามปัญหาเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้คือระหว่างที่ที่พระองค์แสดงธรรมอยู่เนี่ยนะพระองค์รู้แล้วตอนแรกพระองค์ก็จะแสดงธรรมไปเรื่อยๆก่อนใช่หระหว่างที่พระองค์แสดงธรรมพระองค์ก็จะแทรกแนวความคิดของเขาไว้ในระหว่างว่าการถามปัญหานะมันมีโทษอย่างนี้อันนีว่าการถามเนี่ยมันมีข้อเสียเหมือนกันนะมันจะแบบถามแล้วดีไปหมดทุกเรื่อง ไม่ใช่พระองค์ก็บอกว่าการถามเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้การตอบมันมีโทษอย่างนี้นะถ้าตอบถามดีถามเป็นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ถามไม่ดีไม่เป็นก็ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อนัตมเนี่ยบางทีดีโดยคำแต่ไม่ดีโดยความหมายบางทีดีความหมายแต่ใช้คำปิดพลาดคำแบบนี้ทำให้มันเข้าใจอีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็จะแก้ว่าอัตมีโทษอย่างนี้บทมีโทษอย่างนี้อัครมีอย่างนี้ที่จริงพระองค์ก็ประกาศอริยสัจธรรมของพระองค์โดย ปกติแล้วพระ อ, องค์ก็พูดแทรกในระหว่างซึ่งไอ้คนฟังคนที่คิดจะถามปัญหาเนี่ยเข้าใจเนี่ยนะว่าเอาตอนเนี้ยตัวเองเนี่ยคืออะไรนะตั้งใจจะเอ า, เอาปัญหาวกวนเนี่ยมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชี้แจงให้ฟังหมดไอ้ปัญหาวกวนที่ท่านตั้งตั้งมาถามเนี่ยมันคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและถ้าใครถามแบบนี้เสียหายอย่างไร พวกกษัตริย์เหล่านั้นก็ดีใจว่าโอ้ยดีจริงรอที่เราไม่ถามปัญหานี้ดีเหลือเกินดีใจที่ไม่ได้ถามมันั้นนะอุตสาห์พกคิดไว้ตั้งหลายเดือนแล้วจะมาถามปัญหานี่แหละถ้าหากว่าเราถามนะพระสมณะโคโดมพึงทอดทิ้งเราให้หมดที่พึง่งงานเนี่ยเรียกว่าหมดตัวแน่เลยนะนะ คือคือถ้าตัวเองได้เผยความคิดบางอย่างออกไปแล้วมีผู้อธิบายชี้แจงแนวความคิดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอะ่ะเป็นคนที่วิเคราะห์ความคิดของตัวเองได้ทุกแง่มุมเนี่ยถามว่าแหมหมดตัวเลยเนี่ยนะวาตอนแรกคิดจะม า, าเรียกว่ามักขม่มเรียกว่ามัขมขวัญพระพุเทธเจ้า ตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยที่เขาคิดนะ่ะมันคิดอย่างไรตั้งแบบนี้คิดแบบนี้ตอบแบบนี้มีโทษมีอะไรยังไงถ้าพระผู้ถ้าเขาถามแล้วพระพุทธเจ้าชี้แจงแบบที่พระองค์กําลังแสดงตามระหว่างนั้นนะ่ะเสียคนเลยว่างั้นนะ่ะเสียคนเลยคือว่าเงยหน้าเข้าสู่ประชุมชนไม่ได้เลยเนะี่ยอันนี้ไหนที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อแสดงธรรมพระองค์ก็จะแผ่เมตตาไปยัง บร right? ิษัทท es ั allá, para para ้งหลายเนี่ยนะคือเมตตาเนี่ยนะคือใครๆก็ปรารถนาประโยชน์และความสุขถามว่าเมื่อทุกคนต้องการประโยชน์และความสุขแล้วมีผู้ที่น้อมนําประโยชน์ความสุขมาให้แก่ตัวเนี่ยนะจะดีใจหรือจะเสียใจหรือจะหาเรื่องหรือไม่ไม่เอาแล้วเนี่ยนะเพราะตัวเองก็หวังประโยชน์และความสุขมีผู้ให้ประโยชน์และความสุขได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขารับเมตตาจากพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นก็มีจิตเลื่อมใสใน พระทศพลด้วยอนุภาพแห่งเมตตาที่พระพุทธเจ้าแผ่ไปเนี่ยนะว่าอนุภาพอนุภาพของเมตตาของพระพุทธเจ้าขนาดช้างตกมันมาเนี่ยนะเป็นไงช้างตกมันมาก็ยังกลายมาเป็นสาวกเนี่ยนะเอางวงเนี่ยมารูปที่พระบาทหลังพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยใจที่สํานึกผิดเนี่ยนะขนาช้างนะหรือแม้กระทั่งไทยบ้างอ่ะมีโจรทั้งหลายคนเช่นโจรองค์ุลิมาพอรู้ว่าเป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอเจอเมตตาของพระองค์หรื อ, อใครอีกพระปัญจวัคคีเนี่ยนะปัญจวัคคีทั้งห้าตั้งใจเลยนะว่าจะไม่สนใจพระพุทธเจ้าถ้าอยากนั่งก็นั่งไม่นั่งไปไหนก็ไปเถอะอนะใจจริงเนี่ยคิดอย่างนั้นเนี่ยนะไม่สนใจเลยเนี่ยนะปองคก็เจริญเมตตาให้พอะองเจริญเมตตาเนี่ยนะด้วยอนุภาพแห่งเมตตาเนี่ยก็กลายไปอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะด้วยด้วยเมตตาด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเนี่ยนะ อันนี้ในที่หนึ่งอีกต่อไปบอกว่าก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระรูปชมเนี่ยเลอเลิรก็คือเป็นคนงามที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์พระองค์หน้าชมเน่ในเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างอะนะต่อไปพระองค์มีสุรเสียงไพเราะลิ้นของพระองค์ก็อ่อนนุม่มายฟันของพระองค์ก็เรียบสนิทพระองค์ตรัสธรรมเทศนาเหมือนรถรถน้ำอำมตะลงไปที่ใจเนี่ยนะ เหมือนทุกคนกําลังไม่สบายใจพอได้ฟังคําปั๊บเนี่ยเย็นใจสบายใจปีติใจทราบซึ้งใจดีใจมีความสุขมีความอิ่มใจสบายใจเนี่ยนะหมายความว่าเกิดมาไม่เคยสบายใจขนาดนี้เลยมันกันน่ยพอได้ยินคําฟังอ่าได้ยินได้ฟังคําของพระพู้เป็เจ้าก็สบายใจตอนแรกคิดจะมาหาเรื่องใช่ไหมพอได้ยินได้ฟังคนที่พูดให้เราสบายใจที่สุดฟังเนี่ยเราจะคิดยังไงนะกลายจากอะไรนะกลายจากคิดอีกอย่างหนึ่งกลายเป็นคิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นณที่ละที่นั้นคนเหล่านั้นก็จะมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยแผ่เมตตาด้วยอนุภาพของเมตตาของพระองค์ที่ปรารถนาดีเมตตาคืออะไรคือความปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลให้แก่สัตว์ทั้งหลายหรือความเป็นมิตรต่อสัพพะสัตว์ทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยเมตตาบางทีก็แปลว่าเหมือนกับญาติก็ไดน้นะก็เหมือนกับญาติที่เรารักที่สุดปรารถนาอยากจะเจอที่สุดเสร็จแล้ว เป็นคนที่เราอยากจะพบอยากจะเห็นอยากจะพูดอยากจะฟังอยากจะคุยด้วยอยากจะอะไรด้วยเนี่ยพอได้ยินคําของเขาเราก็สบายใจแล้วเนี่ยนะก็เลิกที่แรกเลยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะพอได้อย่างแบบเคยเห็นไหมบอกโอ้จะไปหาเรื่องคนนั้นหน่อยก็อตอนหลังวา่าทราบนั่นคือญาติผู้ใหญ่ของเรานะนั่นคือปู่ของเรานะนั่นคือพ่อของเรานั่นคือแบบคนที่เราเคารพมากเลยนะเราก็เปลี่ยนความคิดแล้วที่จะหาเรื่องหาอะไรก็เปลี่ยนใจและฉันดา สมณพราหมณ์ทั้งพวกกษัตริย์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะมันก็จะเลื่อมใสในพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยนะเราไม่สามารถทําตัวเป็นข่าศึกเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าผู้มีพระวาจาไม่เป็นสองพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นโดยส่วนเดียว พระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยไม่โมฆะไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่มีอะไรนะมันกลวงเหมือนกับต้นไม้ที่มันกลวงภายในกลวงเหมือนกองไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะเป็นวาจาที่ไม่โมฆะเป็นวาจาที่ไม่ว่างเปล่าเป็นวาจาที่นําสัตว์ออกจากทุกขพุทธพจน์ทุกพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยสามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ถึงความพ้นจากทุกภัยทั้งปวงได้ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ถามปัญหาอย่างอื่นแล้วเนี่ยนะตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความเลื่อมใสในที่สุดก็ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเนี่ยขนาดกษัตริย์เหล่านั้นนะตั้งใจจะมาหาเรื่องในที่สุดก็ได้อะไรได้สารณะได้ศีลกลับไปเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่จริงๆนะอย่างบางคนอย่างสมัยใหม่ก็เหมือนกับทําไมคุณจึงนับถือวัดนั้นอ่ะอุ้ยวัดนั้นเนี่ยนะใครเขาก็นับถือกันทั้งนั้นแหละ อันนี้เหตุผลเขานะก็เลยนับถือตามนะเอาทําไมท่านนับถือพระรูปนั้นล่ะอุ้ยใครๆ ก, ก็ก็นับถือพระรูปนั้นกันทั้งนั้นแหละอันนี้อันนี้ถ้าอธิบายว่าที่เขาเลื่อมใสอ่ะนะปิโลติกะปริภาชกก็ลักษณะเดียวกันอุ้ยกษัตริย์เขาก็เลื่อมใสกษัตริย์เก่งๆนะเขายังเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทํำไมเราจะไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าอันนี้คือเหตุผลของเขาซึ่งตอนหลังพระพองค์ก็ไม่รับรองว่าความคิดอันนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ใช่ได้เพราะพวกนี้ถือเอาเสียงสรรเสริญเป็น เป็นประมาณเนี่ยนะถือเอาเสียงยกย่องสรรเสริญเป็นประมาณซึ่งในเบื้องต้นดูดีแต่ว่าตอนปลายจริงๆแล้วไม่ดีเพราะไม่สามารถช่วยผู้ที่มีความคิดอย่างนี้ให้ประสบความสำเร็จเพราะนับถืออโดยอาศัยชื่อเสียงเท่านั้นเองเนี่ยนะแต่ก็แต่ก็พระพุทธเจ้าก็มีความสามารถอย่างนั้นจริงๆแหละสามารถที่จ ะ, ะแก้ความสงสัยแก้ความเข้าใจผิดของกษัตริย์ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายได้ ในหน้า472ปิโลติกะปริพาชกเล่าให้ชานุโสนิพรามฟังว่าท่านผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นพรามบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดละ อ, อปรบับเป็นผู้ปราบลทัทธิทิฏฐิอื่นประหนึ่งนายขมังธนูยิงขนสายได้ด้วยพรามบัณฑิตเหล่านั้นชนะชรอยหรือเป็นผู้ที่มุ่งทาลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตน พราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นได้ฟังข่าวมาว่าได้ยินว่าพระสมณะโคดมเสด็จเที่ยวไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมชื่อโน้นสมณะพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นเนี่ยนะก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยหมายใจว่าจะเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหาก็หากว่าพระสมณะโคดมนั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้จักพยากรณ์อย่างนี้พวกเราจะยกคําพูด อันนี้แก่พระองค์ถ้าหากว่าพระองค์นั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้พยากรณ์อย่างนี้เราจะโยกกว่าท้าอย่างนี้แก่พระองค์หมายว่าถามซ้ายก็เราก็แก่ได้ถามขวาก็เชื่อหรือว่าวางกับดักหลุมพรางจะเดินหน้าก็โดนก็ว่าจะเดินหน้าเดินซ้ายเดินขวาก็ลงหลุมพรางของเราหมดนะเพราะฉะนั้นก็ วางแผนไว้เลยในที่สุดก็ได้ข่าวพระ อ, องค์เข้ามาใกล้สมณะพราหมณฑิตเหล่านั้นก็เข้าไปหาพระผู้มีพระพร ะ, พระโคโดมถึงที่ประทับพระองค์ก็แสดงธรรมให้เขาเห็นแจ้งสมาทานอาถา น, าาน ร, าร่าเริงด้วยทำมีกระถาพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นถูกพระสมณะโคโดมให้เห็นแจ้งสมาทานอาถา น, าาน ร, าร่าเริงด้วยทำมีกถาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับพระสมณะโคโดมเลย แล้วจักยกวาทะแก่พระสมณะโคดมที่ไหนในที่สุดก็กลายเป็นสาวกของพระสมณะโคดมไปโดยแท้เมื่อใดข้าพเจ้าเห็นร่องรอยที่สองนี้ในพระสมณะโคดมแล้วเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิฐานว่าพระองค์เป็นนะเป็นอะไรเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พองค์สอนก็เป็นพระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่นาออกจากทุกข์พระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติ ดีแล้วเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลในพานก็กลายเป็นผู้ที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะไปเนี่ยนะก็จริงอะนะสมัยนั้นเช่นจังกีพราหมณนะ์พรหมายุพราหมณ์พราหมณ์มฟันห่างใครเรียกชื อ, อะไรนะกูทันตะพราหมณ์เนี่ยนะเขามีพวกพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีบริวารเยอะแยะเนี่ยนะ พวกพราหมณ์เหล่านั้นผู้เป็นอาจารย์กลุ่มพราหม์เนี่ยถ้าเปรียบเปรียบสมัยใหม่ก็คือพวกกลม่มอาจารย์มหาเลัยทั้งหลายที่มีลูกศิษย์ห้าร้อยเนี่ยนะวันนี้จะสอนมนแก่ลูกศิษย์ประมาณห้าร้อยคนมีสามร้อยคนเช่นเสลพราหม์ก็มีบริวารสามร้อยคนติดตามไปไหนก็ยกขบวนไปเลยสามร้อยคนเนี่ยนะหรือบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีบริวารอยู่ห้าร้อยคนบ้างสามร้อยคนบ้างบางเพื่ อ, อยังอะไรนะพราหมณ์ที่แบ่งพระทาตช่ออะไรอโทนตพราหมณ์เนี่ยนะ โทโตพรามเนี่ยเขาบอกว่าพวกกษัตริย์หรือพวกอัมมาศเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยน้อยคนมากเลยที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของโทโณตพรามเนี่ยนะพันธุน์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากทโณตพรามก็เป็นพระอนาคามีใช่ไหมคนเก่งคนดีคนเด่นคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาขนาดนั้นทุกคนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหมดจะไม่ให้ขปเจ้านับถือ พระพุทธเจ้าได้อย่างรายอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่กัปปะเจ้าได้นับถือพระพุทธเจ้าเพราะคนเก่งทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าหมดเลยเนี่ยนะ